ก า, า, า, าราตัตงธรงงญญาารมะ้น า, าปนปฏิบัติว่าให้ตั้งใจภาวนาไปด้วยการตังธรรมะเวลาไหนตั้งอยู่การตัดสัญญาอารมอดีตอนาคตตั้งปัจจุบันันแสดงสาระธรรมอะไร ก็หายไหล่รวมเข้าไปสู่หัวใจของเราใจของเรามีชั่วผิดถูกอย่างไรในธรรมะที่แสดงไปเราจะเกิดข้อสงสัยลดเกิดความลืมใจในสิ่งที่เราผูกและสิ่งที่เราผิดเราจะเกิดความสงสัยจึกษาใจถามจากท่านผู้แสดง ต่อไปหากเราประดับรักฟังแต่ปล่อยใจลอยลมไปคือไม่สำนดที่นี้ที่จะเรียนาธรรมะที่สันสดงด้วยจิตัองสันเทเส่งบุนได้อย่างไรก็ส่งไปอย่างนั้นการนั่งฟังพอปวดหลังปวดเอวธรรมะที่สันสดงออกไปก็นนีมีทางลวไหลเข้าไปสู่ จิใตใจของตนได้เลยเสียข้าพูดแต่เสียท่เราคูหนัง่งฟังมาได้ผลได้ประโยชน์จากการสะบับรัดฟังในแต่นี้เดียวเห ต, ตุ น, น, นั้นการฟังธรรมะจึงควรละอารมณ์ที่เป็นอดีตอานาคตฟังจิตได้อยู่ในปัจจุบันเพื่อให ทำที่การแสดงออกไปสัมผัสจับใจของเราหรือไม่อย่างนั้นเราจะกำหนดจิตใจในภาวนาของเราใจใจของเราอยู่เอ้อเฟื้อจากอารมณ์คือเอาว่าการตา้งธรรมะาออการอบรมธรรมะเป็นหน้าที่ภาวนาก็เป็นผลเป็นประโยชน์ จากการจะทำำําบําเพ็ญเคร้งสุขให้จิตจะไม่เสียหลับ <c oughs> ในการสดับรับสังถึงแม้จะไได้ทํารู้ความสอนจากการสดับรบับสั่งแต่จิตใจของเราได้เข้าสมาธิได้ที่มิจฉาเนาธรรมะสัมผัสในธรรมะสมันเสมอจิตใจของเราได้กําลังจากการสดับรับสั่ง พอเราหนังภาวนาพวกเราต่างท่านต่างคนต่างยินดีสนใจมาประพัติปฏิบัติธรรมในในของพระพุทธเจ้าขอให้ทุกท่านอุสาพยายามเามจ็บจำจิตใจที่ชอบพอยินดีมาประพัติปฏิบัติย่าปล่อยวันเวลาที่เรา มา ป, ปฏิบัติปฏิบัติไปคิดอ่านและผู้คูยกันอะไรเงีอื่นในอย่างนั้นจิตใจเรจะไม่มีวันได้รับความสงบสงัดจากการประฤติปฏิบัติของตนเพราะทุกคนสนใจเพราะทุกคนตั้งใจว่าจะมาประพัติปฏิบัติแล้วให้ตั้งหน้าตั้งตาประพัติปฏิบัติตามความสามารถของตนอย่าไปสนใจสิ่งอื่น ยิ่งต่าตามไปที่ปฏิบัติจิตใจในอย่างนั้นจิตใจจะไม่เศราแน่ในอย่างนั้นจิตใจจะเ้องเสื่อมโทรมลงไปไหลไปสู่เรื่องกระแสทั้งโลกไม่มีความสงบไม่มีความสงัดไม่มีความได้รับความสุขความสบายแห่ใสใจทวามจริงใจทุกสิ่งทุกอย่างจะไม่เหลือวิสั ถ้าคุูบาอาจารย์หรือพาวเจ้าจ้าได้เคยแตทำมรรคมาอยัางเอาจิตใจใจทำจรงิงจังผลจึงเกิดขึ้นจากการการปฏิบัติของตนในเป่นทุกม่ได้รับความเดือดร้อนจากการเป็นอยู่อาหารของนักปฏิบัติคืออาหารของใจถ้าหางใจไม่มีอาหารคือธรรมะนะฮะ ้านาอนนายู่าก็เป็นคุตม์นรกดีๆเพราะอะไรทุกหญ่ในเมืองในเมืองในา่าหาความเจรินถึงเจริตามในป่าเป็นภัยอันตรายสำหรับจุดจุดจุดลงแปรไปในทโลกแต่เป็นอุ ป, ปกรณ์สาคัญสำหรับท่านคูณแต่เอฟแต่บตัด เพาะความสงบสงัดเพราะความไม่วุ่นวีุ่่นายมีอยู่ในป่าป่าจึงเป็นของสําคัญสาหรับผู้ปฏิบัติเกี่ยความสงบทางจิตทางใจเราได้ชื่อว่าเป็นพระกรมฐานนักปฏิบัติการปฏิบัติของเราย่อยยอนอย่างไรหรือเตือนอย่างไรให้เราที่ไมนักเสนา สืบสอบในจิตในใจของเรา้าปลอยจิตไปลอยลมอยู่ทุกวันทุกเวลาไม่ทันนึงขะนวนแห่แตาเราต่อคิดถูกจุดอย่างไรจิตใจที่ไม่มีสติไม่มีปัญญาที่มิจิจารณาตนจะต้องหลวมเ้งออกไปทุกวั น, ท, วนทุกเวลาการจะคิดปฏิบัต ในเอาใจใส่ในโอทามและอยากจะได้รับความสุขทางจิตทางใจมันเกิสุกได้ไม่ได้เพราะเหตุว่าใจจะสุกได้ต้องอาศัยธรรมะอาศัยขวัดปฏิบัติที่เราลงมือแต่ทําบำเพ็ญถึงในเป็นไม่เห็นไม่เกิดในขณะที่เราภาวนาอยู่แต่เทว่าขอวัดปฏิบัติทุกอย่าง ตนจนว่าีน์เรรักษาปลอดภัยบริสุทธิ์ความเพียนเราตั้งใจแต่ทำมัมนเพิงเป็นเดจมหนวนเราก็ตื่นใจดีใจใน่างจะททำมั่นเพอจิดมาเดรอยไปสู่สัญญาอารมณ์สายตัดมีการประทับประคองมีการรักษาระวังสังวร ม, มีสมันเสมอ จิตใจในนี้ช่องทางออกไปสังคมเกี่ยวข้องกับอารมณ์ส่วนต่ำก็ยังอยู่ในระดับดีรายชื่อว่าตั้งหน้าปฏิบัติปฏิบัติดีอยู่ท่าแท่งจะอยู่ป่าแต่การแต่ทำมำเพนด่านขีงสมาธิภาวนาไม่มีลอยจิตใจลอยไปสู่สัญญาอารมณ์หรือสังคมกับความชั่ว โด้ในที่โยติจินนาตัวว่าเป็นนักปฏิบัติแต่เป็นผู้อยู่ป่าตั้งหน้ามาภาวนาแต่ปล่อยใจลอยไปสู่ที่เหลือปัญหาลอยใจลอยไปสู่ท่านยาอารมณ์ไปต่ําจิตใจก็ไม่มีวันที่จะได้รับความสงบสงับได้อยู่ป่าก็เลยไม่มีความหมายนักปฏิบัติแบบนั้น ก็ไม่มีความสัมพันอะไรในตัวแลวโลกจะสนใจในคนแบบนั้นด้ยวเดยเหตุใดเพราะคทำทีิในเขาก็ไม่รักษาขพอวัดปฏิบัติเขาก็ไม่นำพาแต่ทำบมเพลินวนที่สุดได้ถูกเขาดูถูกนินทาอายูป่าปากเข่งเฉ่งหลบซโอน เอาเปรียบเอาละของประชาชนคนและเมืองอยู่จิ้อยู่นอนอยู่เล่นอยู่เพลินอยู่คู่อยู่คู่ในทางที่ตันที่เสียเราก็เลยคอยเสียไปด้วยชูบาอาจารย์หรือพระพุทธเจ้าก็เลยเป็นเหตุแต่เขาติฉินนิพพาขั้วถึงใสเราคนหนึ่งจึ่งเป็นตัวแทน ขอพระพุธทธเจ้าหรือครูบาอาจารย์การปฏิบัติทุกได้เราต้องตั้งแน่แต่ทำบำบัดจริงใจังไม่อย่างนั้นเขาจะสึกถิ่นงิลพาว่าเราเป็นผิดนอกถูกมาอยู่ในโอวาททำและสอนของพระพุทธเจ้าหากเราทุกคนหมั่นสนใจและฝึก้อาและสอนตัวอยู่สม่าเสมอ ได้งหน้าตั้งตาแต่ทำบำเพในด้านภาวานะาวันคืนที่นล่วงไปเราได้หยุดยกเอาความดีจากการจากเวลาที่ผ่านไปได้เป็นเน็ตเป็นหน่วยที่ใบยเดินจงกรมนั่งภาวานาใส่คำลสะแต่สางจิตใจจากการจูงจิดต่างๆทั้งมรละไ ว, ว้ตั้งใจกัจกจกจกบัติตั้งใจปฏิบัติกำจัด จึงเกิดเป็นเําคือน้่จึงเกิดปัญหาออกจากใจไม่หาใจไปเกี่ยวข้องไม่หาใจไปสังคมระวังรักษาหน้าที่ของชาววัดปฏิบัติจูบาอาจารย์นําพาดูแลสอนให้ทุกสิ่งทุกส่วนนอกนั้นความเป็นความปุงของจิเข้าใจ ที่เาได้จากการภาวนาจากการการทำบาเพ็ญปัญญาเกิดขุดขึ้นตจนขึ้นเห็นโทษในเรื่องของโลกละถอนเลื่อยไปมีปัญญาขุดขึ้นบอกขึ้นทุกคืนทุกวันควนามสงบสงบของจิตนับวันสงบส ง, บส ง, บสงบัดแม่เงอนลงไป ทุการทุกสมัยหยุด น, บนับันขยอบตัวขึ้นสู่ความดีเด่นเห็นอัตจักรไปจากธัดเยนในตามต่เทปฏิบัติเมื่อเป็นอย่างนี้การจะ่ทำบำเพ็ญทา้งตัวก็ไม่มีบนันย่อย่อนเวลามีผู้คนมาผูกคุยหรือมีการงานมาขัดข้อง รู้สึกว่าหนักจิตหนักใจไม่สะดวกไม่สบายในการจะททำบำเพ็ญทางจิตทางใจไม่ได้เจนเน็ตเจนหนวดมีผู้จองเลืกปฏิบัติย่อมเป็นอย่างนั้นไม่ไปแสวงหาเรื่องต่างๆมาหยั่อยุ่จิตใจของตัวใคปฟุ้งไปคลุงไปลยทอนที่จิตเห้นการ พูดคุยหรือการต้องคมเรื่องอื่นนอกจากการปฏิบัติปฏิบัติทางจิตใจเนของไม่สัญเปนของควรละเป็นของควรวางไมควรยุ่งเหยิงไม่ควรขอควรใ้จิตใจของเราไปจิต่องในส่วนนั้นตั้งแน้าตั้งตาปปฏิบัติกันจริงจังคือเซลล์สาง ก็สงบเข้าไปจ่หที่ไม่ใชใลงรวมก็ลงรวมไปความสุขของใจเป็นอย่างไรไปจากทัดเจีนนี่ก็ปฏิบัติสำหรับนะหรือสำหรับนักบวชในอย่างนั้นการบวชของเราก็จะไม่มีปัญหาอะไรซึ่งโลกเขาควรจะสนใจ พอเขาพอมาสู่วัดสูวาสู่พระสู่เจ้าในศาสนาผู่คุยไปในเรื่องอริชาปัญหาต่างๆอุปสรรคหน้ากระาฝูดใเสื่อมแต่ธรรมะธรรมโมเรื่องเกลีดจากขอวัดปฏิบัติเกลีดจากธรรมดีในเกลีดจากจิตใจที่ตั้งหน้าปฏิบัติเป็นอย่างไรเขาไม่เคยเดยือดฟัง ไม่เคยได้ยินรถจากเสียงเขาพระผู้เขาเพืพปฏิบัติแบบนั้นเขาก็เลยดูถูกนินทาว่าพระอยู่ป่าเอารัดเอาเตียดของคนอื่นมีแต่ลมแต่นอนมีแต่เปิดแต่เพิญแต่คู่แต่คุยป่าต้นที่งศักดสิบางเราเห็นขันอยู่ป่าเราเลยสัดข้าวว่าขันอดขันจน ท่านตั้งหน้าตั้งตาไปเพื่ปฏิบัติที่ไหนได้เมื่อไปเห็นไปศึกษาธรรมะธรมโมอะไรที่เกิดจากการปฏิบัติทางใจของท่านไม่เห็นโผล่ออกมาเออเราได้สดับรักฟังสักกีแม้แต่จุดจุดหนึ่งชาพวกเราอย่างนี้เหตุนั้นพวกเราทุกท่านที่ได้ชื่อว่าพระกรรมฐานหรือนักปฏิบัติต้องตั้งแน่ตั้งตาอุตส่าพยายาม ตกำจัดเรื่องวัยยุ่จิตใจเื่อสายต่ำสายที่เหิือันเหออกใจจากจิตจากใจวันเวลาไม่ว่ากลางวันกลางคืนยืนเดินน่นอนอุตสาห์จังหวนระวังใจตาข้าตาคองผู้ทียังไม่ลงไม่รวมยังไม่ได้ความสงบสงบเรอ่อยอุตสาหบริวชั่ การจริงจจากอินี้คือเจรนากรรมฐ า, านบทใดให้ผูกใจว่ากรรมฐ า, านบทนั้นจะนำพาจิตใจพวกเราผู้กวเพืปพ่ปฏิบัติให้เข้าสู่ความสงบสงันต์ให้ละให้ถอนให้ปล่อยให้วางเรื่องที่เดือดร้อนหาได้ผู้ใจมั่นอย่างนั้นแล้วตั้งหนอตั้งตาเพืป่ปฏิบัติกันในนอนใจเมื่อเป็นอย่างนี้ศาสเสนอ ที่เสี่ยมโทรมลงไปที่เราสงสัยว่ามากผลไม่มีเพราะด้วยข้อวัดปฏิบัติ้วยการประทําบำเพ็ที่ถูกต้องข้้งตนเห็นผลแตกางขึ้นในจิต ใ, ในใจความสงบสงัดที่เราไม่เคยเป็นเคยมีแต่เต่าแต่ก่อนเกิดขึ้นเก้นขึ้นความละความถอนความปรุงข้องใจถึงเช่จิตข้องในโล ก, ใ น, โลกในสงสารต่าง ละวาไปได้โดยลำดับจิตใจมีความสว่างสวัยจิตใจมีความสงบเย็ยนเย็นจิตใจมีธรรมเป็นอาหารอยู่สะดวกอยู่สบายใครเขาจะว่าศาสนาหมดมากหมดผลเราก็ไม่ได้สนใจกับเขาเพราะเราไปจักอยู่ในใจข้งเราที่ปร ะ, ประพฤติปฏิบัติรู้แจ้งเห็นจริงในตัวของตัว กา ร, ป, รปฏิบัติธรรมขอให้ทุกท่านอุตส่าห์พยายามทำกันอย่างจริงจังอย่าไปเห็นสิงอื่นน่าเป็นของดีพิเศษกว่าการประปฏิบัติธรรมถ้าไปเห็นสิงอื่นเป็นของดีพิเศษกา ร, ป, รปฏิบัติธรรมจะย่อหย่อนวิทยาหายไปอยู่ไใ้ตา เป็นพระพออยู่ป่าแต่กายแต่ใจยิ่งวุ่นอยู่ในกัญญาอารมณ์ของโลกยิ่งเข้าบ้านเข้าเมืองยิ่งไปในสถ า, านที่ต่างๆแรงลมจยุดใจเลยไม่ได้รับความสุขความสั่จากต่างเหนที่สุดเมือ่อกําลังของที่เหลอกัญหากําลังท้องฝ่ายตา่ำมากมายตายกองขึ้นก็จะดึงจิตโยงใจ ไปพอแล้วตายก็จะประเด็นออกไปจากวัดจากว่จ า, กวจ า, กาจากป่าจากพระหาสาระในการบวชในศาสนาใน่ไดจิตใจเคยวุ่นวายตั้งบนอย่างไรก็เป็นอยู่อย่างนั้นไม่มีการําระไม่มีการตรัส า, าไม่มีการกระทำให้ดีขึ้นพระพุทธเจ้าหรือครูบาอาจารย์ที่ท่านนาศาสนามา ท่นละท่านถอนท่านปล่อยท่านวางท่านทําตัวท่านเป็นพะโยปา <c oughs> อยู่ทั้งตายทั้งใจไมยินดีไมเแสเอเนในบ้านในเมืองเป็นป่าเป็นสถานที่หน้าเป็นสถานที่หน้าอยู่บำเพ็คุณงามความดีในป่าสะดวกสบาย ง่ายฝ่าอยู่ในสถ่ฐานที่อื่นท่านจึงรักษากชอบปายินดีในปากภาวนาทุกวันทุกคืนจนจิตใจของท่านค้ น, คนโผลออกจากปู่ทุกคนตายเป็นพระคือเป็นผู้ปรลเสดขึ้นมาในดวงจิตของขขท่านท่านจะต้ปฏิบัติแบบนั้น ท่านจเป็นครูเป็นอาจารย์ท่านจึงนำศาสนาตลอดมาถึงปัจจุบันทุกวันนี้ไม่ใช่อยู่แต่ตาและจิตใจใน่ภาวนาไม่สังวนรักษาลอยไปตามวิเวกปัญหาเหตทผลไม่มีวั น, ม, วนมีเวลาพวกเราอยู่ป่าเรอยู่กันมาเป็นเวลานานแต่จิตใจของเราเป็นอย่างไร ให้พากันคำนึงคำนวณถึงใจของตนว่าจิตใจมันยิ่งบุ่นไปสู่สัญญาอารมณ์ส่วนทั่วส่วนหยาบอย่างไรเพื่อจะได้แก้ไขเั่งจิตใจส่วนนั้นให้สงบละงับเข้ามาสู่ธรรมสู่วินัยจิตใจเมื่อถูก ทำถูกวินัยเป็นเรื่องรักษาเป็นเรื่องหล่อเลี้ยงจิตใจจะมีวันสงบสงัดมีวันเติบโต LP ให้เยิบความสุขความอัศจันให้ไปจากทาติเกิดไปผูกปอบเพื่อปฏิบัติคูกับเพื่อปฏิบัติจึงยินดีจึงพอใจในที่สงบสงัด ในป่าในดงเพราะทัานเห็นป่าเป็นที่รักษาจิตใจง่าเราไม่เป็นอย่างนั้นอยู่ป่าอยู่แต่ใาส่วนใจไหลไปสู่บ้านเัวเลยไม่มีวันมีเวลาจะทำตัวให้เป็นพระเป็นเมรได้เมื่อไม่มีสมณะนะ คือความสงบสงบอยู่ในป่าจงเป็นหลุมนาลกเดือดร้อนวุ่นวาย <c oughs> ตาก็อยากดูรูปหูก็อยากฟังเสียงจมูกพออยากดมกลิ่นลิ้นก็อยา ก, ล, ล, ก, ยากลิ้มรสกายก็อยากถูกต่อยสัมผัส <c oughs> ไ, ดได้รับความลำบากเดือดร้อนในการอยู่ป่าปู่อยู่ป่า ถ้าหาจิตใจตายแสบแหว่งหากามารวมอย่างนั้นมันได้รับความทุกข์เป็นหลุมนรกดีๆถ้าหากโยป่าตั้งหน้าตั้งตาภาวนาเห็นว่าสถานที่ทุกอย่างเหมาะสมสงบสงัดเยือกเย็นเราตั้งหน้าตั้งตาบำเพ็ญทางสายภายในคือสายจิตใจของเรา เป็นเน็ตนหน่วยจะเดินจงวามก็ไม่มีบุคคลผู้ใดมาขอควรวุ่นวายเดินทั้งวันทั้งคืนก็ได้เพราะสถานที่อำนวยให้ไม่มีอะไรมาขีดขวางหรือเดือดเด่อนร่มเงาเก็อหเย็นเรื่นลมในป่าเสียงก่อ สงัดส ง, สงสดัดดีนีแตการจะที่นิจิจารณาทำชำระใจทั้งสนสม่ำเสมอใจที่ถูกชำระทัก็อกใจที่ถูกการสะสางอยู่ทุกวันทุกเวลาใจก็นับวันที่จะหายจากความตองวนวุ่นวายขัดข้องต่างๆใจก็เป็นใจพระ ใจก็เป็นใจสมณะผู้สงบผู้ล่างนับในส่วนส่วนลูกเสียงเรื่องราวต่างๆภายหนอออกได้ล้าจิดใราจิตถัดค้องยังไม่ถึงถุดสุด ม, มีมุดเมื่อใดเรายังเข้าใจอยู่ในตัวของเราว่าความสงบส่วนนี้เป็นความสงบจากมิวรรภายนอกเล็น้อยไม่ใช่ความสงบ ขี่แท้จริงเราก่หมัท่นิจจเจนะคนขี่ในจิตในใจของเราเข้าไปทุกวันทุกเวล า, าใจใจรู้าเหตทุที่เกิดปัญหาเกิดขึ้นเมื่อใจคนจิดที่นิจจเจนามีธรรมะละเอียดเข้าไปเท่าไร การถอดถอนเรื่องความติดท่องท้องใจกอนน บ, บันตกไปหมดไปใจก็ได้รับความสว่างสวัยใจก็ได้รับความเยือกความเย็นนี่ลายเสือเป็นพระพระจูฑาพุทธเจ้าทรงสรรไลเสริญทรงถือว่าเป็นสาวของพระ อ, องค์ก็คือสุปฏิปันโนผู้ปฏิบัติดีใจก็ปฏิบัต วาจาปฏิบัติดีไม่จิดใน่ขืนใจปฏิบัติดีไม่จิดในธรรมระวังสังบอลตัวอยู่เสมออุอตส่าปฏิบัตโนปฏิบัติตรงตรงต่อคำสอนของพระพุทธเจ้าอุตสาห์พายายามจะทำตามโอวาทที่ท่าน ห้ามอย่าไปล่วงเกินที่ท่านอนุญาตลู้จัททำบาเพ็ญตามห้ามใจไม่ให้วิตกไปในใกุศลสระดึบตนให้ตรงต่อคำของพระพุทธเจ้าอย่างนั้นพระพุทธเจ้าคือว่าเป็นสาวของท่านยายาปฏิบันโนปฏิบัติเสทื่อมไม่ปฏิบัติเสื่ออานิต สิงดีวที่จิตใจจากปงนําจิตใจจะรู้จะเห็นจะละจะถอนเื่งปฏิบัติส่วนนั้นอย่างจริงใจจนจิตใจของตนเมอตอย่างดีพระพุทธเจ้าแนน ในวอกบนหรือแวะเดียยวไปสู่เรื่ยวนอกตั้งหน้าตั้งตาประดูดัดตามธรรมอย่างจริงจังเป็นธรรมปรากฏไปจากในจิตในใจพระพุทธเจ้าก็ชือว่าเป็นสาวกของพระองค์ถึงแม้จิตใจยังไม่เป็นไม่เห็นอย่างนั้นแต่ ตั้งหน้าต่างๆาพอพิสูจน์ปฏิบัติดีปฏิบัติตรงปฏิบัติเป็นธรรมอยู่ความรู้ความเห็นก็จะเกิดจะเป็นนขึ้จากเกิดดีแต่ธรรมคือถูกต้องพระพุทธเจ้าจึงรับรองว่าเป็นสาวกของพระองค์ขานีจ่ตจิตกโนปฏิบัติชอบยิ่งคือจิตใจรู้แจ้งเห็นจริ่งในสิ่งจิตความรู้ความเห็น โดยเฉพาะอย่างอยู่งก็คืออริยสัปจประจัในจิตในใจของท่านถึงจะไมามีปฏิภาณโมหันไม่มีอธิญญาณส่วนอื่นต่อการละการบําเพ็ญอย่างไรที่พระพุทธเจา้ารู้หรืออริยเจ้าเห็นเราเป็นเรารู้เราเห็นประจับพัดเปนในการละการบํเาเพ็ญตามถึงที่สุดของจิตของใจ ก็ได้ชื่อว่าสามีสจูติสันโนผู้ปฏิบัติชอบยิ่งส่วนเรื่องตื้อยส่วนอื่นที่จะไปรู้ไปเห็นเป็นต้นว่าหูทิสตาทิสหรือรูอร้จักดักจิตดูใจของคนอืน่นส่วนเหล่านั้นเป็นเรื่องตื้ย้อดส่วนความจึงที่พระพุทธเจ้าทรงสังเระเสวนหรือทรง และสอนอยากให้พวกเราถึ่งเป็นผู้ทั่ชนเข้าใจได้ถึงก็ามคือการละการบําเพ็ญให้ถึงจุดยมุดนิจฐานหากจิตใจของทุกท่านรู้เห็นเป็นจริงในส่วนนี้จะดำบินบินบนไม่ได้จะหอเหวนเดินฝ่าไม่ได้ก็ตามจะมีอหตุยญาณันหรือไม่มีเหตุยืายก็ตามความสุข ถึงจิตท่า น, นจะต้องเกิดขึ้นในจิตของท่านผู้กว่าเพื่อจะดูดัดได้ขาดจิเหน็ดหมดขาดที่เหี็ดตายถอดถอนจิตเหน็ดให้ออกจากจิตจากใจบริสุทธิ์อย่างไรไม่ผิดขลองในความบริสุทธิ์ของตนสมมุติผัวไปในโลกไม่เข้าไปถึงอยู่ในโลก ในเกี่ยวข้องในจิตข้องในโลกพบ่าข้างหน้าจะมีอยู่อย่างไรเข้าใจชัดเจนเพราะความบริสุทธิ์ท้องตนที่ในจิตในอารมณ์สั้ญญาในจิตในที่เหลือกันหาไม่จิตในความบริสุทธิ์ท้องตนแต่จากชัดเจนในจิตในใจที่ได้รู้ได้เห็นพบ่า ขาดจะเด่นเพราะจุห น, นึน่งมีการเกี่วข้องหนมีการยึดถือกับความจริงทุสิ่งอริยสัจสี่จ น, นว่าทุกสมุทัยไมโดมรรคก็เป็นอริยสัจเป็นของจิงแต่จิตที่บริสุธิ์กว่าเป็นของจริง ใ, ในใจอริยสัจไปจากทัศ ในการตบบเคล่อปฏิบัติของตนหชื่อว่าการปฏิบัติของเราถึงจุดมุ่งหมายอยู่ที่พระพุทธเจ้าทรงแนะสอนการกับเึดปฏิบัติทางเรียวถ่านั้นที่จะทำพวกเราท่านให้เป็นผู้ประเสริฐนิสัยได้และใช่เรื่องอื่นที่จะทำให้จิตใจถึงความบริสุทธิ์ กาเรื่องอื่นรูปเสียง ต, งต่างๆภายนอกทำจิตใจใครบริสุทได้เราใครคิดคิดในพิจารณาเรื่องภายนอกซึ่งออกไปจากวงทำเท่าไหร่จิตใจก็จะได้รับความปล่องใสจิตใจก็จะได้รับความเย็นเย็นเท่านั้นนี่ในเจนอย่างนั้นยิ่งคิดอารมณ์มากเท่าไหรก็ยิ่งวุ่นวายในจิตในใจยึ่งได้รับความเดือดร้อนวุ่นวาย หาความสุขความสบายในใจคนที่อารมณ์มากเท่าไรคนนั้นเป็นเจ้าทุกทางใจนั่งอยู่ก็คิดนอนอยู่ก็คิดหลับไปก็ฝันบางทีจนนอนไม่ลงหลับแก่ตาใจยังฟุ้งยังคิดฟุ้งอยู่ทุกการทุกเวลาหาความสงบสบายในดจคนอารมณ์มากเป็นอย่างนั้นผ่านจึนไห่ที่นี้พิจารณาเรื่องของคมตำละ สัสงเรื่องสัญญาอารมณ์ทายนอกออกจากใจยาเต้าเย็ดมั่นสำคัญหมายอะไรทั้งหมดใส่ที่นี่พี่แนะธรรมะของพระพุทธเจ้าสัจสางยูอย่างนั้นจิตใจก็มีวันจะเบาจะสะบายจะสะว่างจะไววจะหลุดจะลอยออกไปจากสมุติไม่อย่างนั้นอยู่ป่า ก็ไ <c oughs> ม่เป็นปัญหาเผดเป็นพระเป็นเงินเป็นนักบวชก็ไม่เป็นปัญหเาเพราะทำเอาได้แต่งเอาได้ไง่ายและหลุดออกไปไ ง, ไง่ายถ้าที่เราหนุ่นเราหมผมก็งอกก็ยาวขึ้นได้ถ้าไม่โคนแคยเห็นทั่วไปที่นักบวชในมีธรรมด้วใน ไม่มีจิตมีใจเป็นหลักเป็นฐานสึด้าลาพดออกไปนับไม่ได้ก่อพอใจมุ่นวายก็พอใจผัดข้องข้องพอใจเต้าสะสมเรื่องชายนอกให้เดือดร้อนเป็นเผดคะเผดเนรเิดนักบวชเป็นของคือของขายไม่พอใจจะอยู่ในวัดไม่พอใจจะปฏิบัต อย่างคิดนย่างทำก็เลอยู่ในเขตของธรรมะไม่ได้ตายเป็นภาวไปมีเพราะใจที่ปล่อยไม่รักษาไม่ตั้งหวอนไม่ระวังเราทุกคนที่มุงหน้ามุงตามาตั้งที่ปฏิบัติขอให้ตั้งจิตตั้งใจท่องตนที่มุ่งจะได้นาธรรมะของพระพุทธเจ้าฝึกฝนอบรมายใจท่องตน อย่าเป็นคนปล่อยจิตปล่อยใจให้ค้าเข้ากับสัญญาอารมณ์ฝ่ายตับตั้งหน้าตั้งตารักษาระวังสังบอลตามขีนธรร ม, มที่พระพุทธเจ้าสอนเมื่อเราปฏิบัติถูรักษาจิตรักษาใจเราไว้ไม่ให้ใปเกี่ยวเกาะพววพันเรื่องนอก ตังหน้าต่างตาตะ้งสังล้างจิตอยู่สม่ำเสมอไปจิตเจ้าก็จะได้รับความผ่องใสจิตใจก็จะได้รับคว า, ามเยือกเย็นเป็นสุขแล้วเห็นเทศสมณะเทศของนักบวชเป็นเทศขีดประเสริฐเป็นเทศที่ดเสดการเป็นททมสมณะการละตัวบําเพ็ญดีมีความประจําตัวเป็นความสุข เป็นที่ปราถนาะเป็นที่ปราบริ่มจิตใจยิ่งกว่าได้จริงอื่นในโลกท่านจึงมีอายุยืนยงคงอยู่สละชีวิตอุทิศในสมวัจจัน์คือกาปรปฏิบัติพวกเราทุกคนขอให้สนใจจะ่ทำบำเพ็ญตามเยียงอย่างที่ครูบาอาจารย์ท่านแนะนหรือทรดีในที่บอกไว้ เมื่อตั้งใจจะทําบําเพ็ญอย่างนั้นจิตใจของพวกเราท่านก็จะได้รับความรู้ความเห็นความเป็นจากการแต่ทาบําเพ็ญราะเหตุถูกผลก็จะต้องได้รับถูกตามมาเหตุนั้นการปฏิบัติกายปฏิบัติใจที่เขาให้ชื่อว่า เป็นพระกรรมาฐานหรือเป็นนักปฏิบัติขอให้ทุกท่านตรวจตาเรื่องของตัวอยู่สม่ำเสมอว่าเราที่มีชื่ออย่างนั้นกายรายกายใจเขาปลุกเราท่านเป็นอย่างเขาสมมุติให้ดูอย่างถ้าตรวจตาอยู่อย่างนี้ก็จะเป็นพระเป็นทีเป็นผู้ดีผู้ดี ทุกการทุกเวลาในอวสานการอธิบายธรรมะขอนับปฏิบัติทุกท่านจงไปศกิความสุขความเจริญสมตามความมุงมา่ปรารถนาโดยทัวหน้ากันเถิดเวัา